ประการอย่างนี้ส่วนภาระยะบบุคคลจะเป็นอย่างไรก็คงเป็นพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าวันนี้เนื้อหาก็โดยรวมๆก็หนักมากอยู่แล้วอันในการบรรยายเกี่ยวกับสังขารุปเกขายานก็วันนี้นะแต่เพียงเท่านี้ก่อนพรุ่งนี้ได้ถึงมัรคขายานแน่นอนสอนถึงมรรคพอละส่วนผลไปบรรลุเอาเองแต่เป็นอรหัตมรรคขายานที่พิเศษเป็นเหตุใกลแห่งสัพพัญยุตยาน เป็นเหตุใกล้แห่งอนาวรนาญาณเป็นเหตุใกล้แห่งอาสาธรณาญาณทั้งหกอย่างเนี่ยนะคือมหากรุณาสม า, าัฏิญาณยมกถาปฏิหาริยญาณอะไรอีก อ, อินดริยะประปริยตญาณอาสยานุสญยาณยาซึ่งอาสาธรณาญาณหก น, นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้สงเคราะห์มวลเวนยสัต เมื่อพระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้อาสาธรรณะญาณหกเป็นต้ น, น, น, นก็สำเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าพอสำเร็จพุทธ ภ, ภาวะหรือที่เรียกว่าพุทธ ภ, ภูมิภูมิแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีการพิจารณาธรรมะโดยเฉพาะพิจารณาอริยสัจ ท, ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ ทั้งทุกขาริยสัตว์สมุทัยอริยสัตว์นิโรธอริยสัตว์และก็มรรคอริยสัตว์ซึ่งการพิจารณาอริยสัตว์ของพระองค์นั้นเป็นการพิจรารณาแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นวันวันคืนคืนและไม่ใช่วันเดียวคืนเดียวอย่างที่เรารู้กันว่าพระองค์นี้เสวยวิมุตติสุขอยู่สี่สิบเก้าวันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เสวยสุขอย่างเดียว เพราะพระองค์นั้นมีการพิจารณาอริยสัจพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาธรรมพิจารณาอภิธรรมเป็นต้นนะนะนั้นใช้เวลาในการพิจารณาพระธรรมตรงนั้นเนี่ยมากเมื่อพระองค์ได้พิจารณาถึงธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์คิดยังไงต่อไปก็คือมีความขวนขวายน้อยที่จะแสดงธรรมอ่าไม่ใช่ลักษณะแบบโธสะเกิดขึ้นมาทอ้อใจบอโอ๊ยใจห่อเหี่ยวเลยนะ ท้อใจแบบภาษาไทยเนี่ยหมายถึงว่าจิตใจนี้ห่อเหี่ยวที่จะสอนคนอื่นเอ้มันเป็นรายนอวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วปรับให้มันได้ที่ทีเดียวก็พอแล้วทำมากแล้วพูดตามไม่ค่อยถูกเลยสองวันแล้วเนี่ย <c oughs> พอพระองค์เนี่ยพิจารณาถึงธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ย พระองค์ก็ท้อใจที่จะสอนผู้อื่นคำว่าท้อทวนอีกครั้งหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าหอเหี่ยวหรือเศร้าใจหรือลำบากใจไม่ใช่แต่เธอว่าเป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะต้องขวนรู้สึกขวนขวายน้อยอ่ะนะให้ให้จิตน้อมไปเพื่อที่จะขวนขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรมทำไมจึงขวนขวายน้อยเพราะพระองค์นี้เห็นถึงความลึกซึ้งของ โลกุตรธรรมโดยเฉพาะพระนิพพานนะพระนิพพานที่ลึกซึ้งซึ่งจะต้องมีการโลกนะถ้ามีการคิดดูนะลึกความลึกซึ้งเนี่ยจะต้องดําเนินวิสุธทธิทั้งเจ็อย่างนะกว่าจะเข้าถึงโลกุตรธรรมอันกว่าจะเข้าถึงจุดหมายที่สูงสุดได้จะต้องใช้คุณธรรมอย่างมากใช้ศีลสมาธิปัญญาอย่างสูงที่สมควรแก่การเข้าถึงพระนิพพาน นี้การที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญาให้ตรัสรู้พระนิพพานอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความเพียรอย่างกว้างเนี่ยนะใช้กําลังอย่างแรงกล้าต้องเป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงมากจึงจะสามารถปฏิบัติตามที่จะทําให้ตรัสรู้โลกุตระได้ขณะเดียวกันนั้นหมูสัตว์เนี่ยปกติแล้วรกชัดชัดชัดก็คือรกอนะครับ รกด้วยราคะบ้างรกด้วยโทสะรกด้วยโมหะแล้วก็ปกติสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอะไรเป็นที่มายินดียินดีในอะไรเพราะยินดีในรูปไม่เบื่อที่จะเห็นรูปไม่เบื่อที่จะฟังเสียงไม่เบื่อที่จะรู้กลิ่นไม่เบื่อที่จะลิ้มรสอร่อยๆไม่เบื่อที่จะรับผลพระทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้มีอะไรเป็นที่มายินดีก็คือยินดีในกรรมคุณ เริ่เสียงกลิ่นรสโพธพภะ ท, ที่น่าปราถนาหน้าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดทำให้จิตใจลุ่มหลงเพลิดเพลินพันภายในก็รกชัดอยู่แล้วอารมณ์ในโลกก็วิจิตพิสดารที่ทำให้ชวนหลงชวนติดบอกว่าปกติวิสัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นภายในก็รกอารมณ์ก็น่ายินดีข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานก็ต้องใช้ความเพียรพยายาม ใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เหนียวแน่นต้องบำเพ็ญบุญอย่างมากจึงจะดำเนินปฏิปทาให้ตรัสรู้ให้ตรัสรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งคือพระนิพพานได้พระองค์ก็เลยท้อใจเลยนะพูดนะ เ, เรียกว่าอะไรนะใจเนี่ยไม่น้อมไปเพื่อจะแสดงธรรมเพราะคิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวิตเช่นนี้เมื่อเราพูดไปแล้วเขาไม่เข้าใจมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยของเรานะ ถือว่ามันเป็นความลําบากของเราใช่ไหมแบบถ้าเราพูดอะไรในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจเนี่ยนะถามว่าคนพูดเนี่ฉลาดไหยดีไหมไม่ดีใช่ไหมก็ถือว่าแม้ขวนขวายน้อยที่จะแสดงธรรมคนที่เดือดร้อนก็คือพรหมเหมือนกันไคําว่าพรหมในที่นี้เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขาถือว่าพรหมคือพระเจ้าลัทธิพระเจ้านั้นลัทธิพรหมเอ่อลัทธิฮินดูเนี่ยมาก่อนอันดับแรกในโลก คริสต์อิสลามนี่มาทีหลังรัทีพระเจ้านะแต่ว่าพระเจ้าคนละองกันแต่ว่ารวมๆก็ศาสนาฮินดูนี่ก็นับถือพระเจ้าพระเจ้าของเขาผู้สร้างของเขาก็คือพระพรหมเนี่ยนะซึ่งพรหมนั้นก็คือบุคคลที่ยังเป็นไตในวัตตะในภูมิสามแต่บุคคลพิเศษเป็นบุคคลระดับสูงที่สามารถตรัสรู้เออขอไปที่สามารถบำเพ็ญฌานได้เกิดในพรหมโลก ทีนี้ในบรรดาพรมเนี่ยโดยทั่วๆไปก็นับถือพ ร, อพรเนี่ยแบ่งออกเป็นรูปประพรารูปประพรารูปประพรนี้ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วล่ะก็มาดูรูปประพรรูปประพรนี้ก็แบ่งระดับประถมมชานทุติยาชานตาติยาชานและจตุทชานระดับประถมมชานก็แบ่งออกเป็นสามชาั้นพรหมปาริสัชฌาพรหมปโรหิตาและมหาพรหมมาท่านเท้ามหาพรหมคือสหบดีพรมเนี่ยนะอดีตชาติท่านเป็นพระภิสุท ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเชื่อว่าสหากะภิกษุทีนี้ความที่ท่านเป็นใหญ่ที่สุดในพรมโลกที่เรียกว่าชั้นมหาพรมปกครองพรมอยู่สามชั้นด้วยกันท่านเป็นใหญ่กว่าเพื่อนก็เลยเรียกว่าสหัมบดีพรมบดีก็คืออธิบดีสหกะภิกษุในอดีตชาติที่มาเกิดเป็นพรมผู้เป็นใหญ่บริหารพรมห ล, หลายล้านเนี่ยนะท่านก็เลยปรารบว่าโลกนี้จะชิบหายแล้วเนาะถ้าพระพุทธเจ้าจะขวนขวายน้อย ก็เลยชักชวนพรมในจักรวาลต่างๆมาอาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมซึ่งข้อความในพระวินัยปิฎกมหาคันตะพรมยาจนะกะถาคือกะถาว่าด้วยการอ้อนวอนของพรมข้อความในวินัยปิฎกมหาวัคคภาคที่หนึ่งหน้าสามสิบกล่าวว่าเล่มเนี้ยเล่มหกนะเล่มหกข้อข้อแปดว่าท้าสัมบดีพรม ทราบพระปริวิตตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจของตนแล้วเกิดความปริวิตตกว่าชาวเราผู้เจริญโลกจกชิบหายหนอคําว่าชิบหายก็คือชิบหายจากมรรคผลนิพพานเนี่ยนะโลกจะวินาศหนอพินาศพินาศจากการบรรลุโลกุตระธรรมคือหมดโอกาสนะเพราะอะไรเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระไทยไปเพื่อขวนขวายน้อยไม่ทรงน้อมพระไทยไปเพื่อแสดงธรรม ไม่น้อมไปเพื่อประกาศอริยสัจจะทำเพราะว่าเพราะอะไรเหตุผลก็คือหมูสัตว์นีรกเกินไปพระธรรมนั้นก็ลึกซึ้งเกินไปคือลึกซึ้งเกินกว่าที่คนรกๆจะรู้ธรรมที่ละเอียดได้เหมงนันกันก็เหมือนกับว่าเหมือนคล้ายๆอะไรเหมือนง่ายๆก็คือสมมุติว่าจะไปไหว้พระไปไหว้พระเจดีย์ไหว้พระาธาตุที่ใดสักแห่งหนึ่งอ น, น, นะเป็นที่ที่ดีสงบรื่นแล้วก็ทางก็ไกลหน่อยต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการไปกราบไปไหว้ แล้วก็ไปชวนคนมีธุรกิจที่ยุ่งเหยิงเลยเนี่ยคิดว่าเขาจะไปด้วยกับเราไหมไปว่าประทาดกันเถอะเนี่ยนะโห อ, อย่างนี้ยังยากเลยนะจะกล่าวไปยัยถึงระดับสูงกว่านั้นแค่เอาตัวไปแค่แป๊บเดียวก็กลับมาแล้วนะยังยังจะยากถ้าคุณเด่นพงศ์มาเล่าให้ฟังเนี่ยเอย๊คนอื่นเขาเริ่มบิดอิดออดนะเขาไม่ค่อยอยากจะไปด้วยบอกเขาไม่ไปเราก็ไปคนเดียวของเราสิเนี่ยนะเพราะว่าโลกนี้ถือว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเฉพาะตัว นี่ก็เหมือนกันนะพรมก็มาปารถถึงว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมนี้เสียหายแน่ก็เลยหายหายตัวจากพรมมาโลกมาปรากฏต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าห่ผมผ้าอุตตราสง์เฉียงบาคุกเขาข้างขวาลงแผ่นดินปนมอัญเชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงธรรมทวนอีกครั้งหนึ่งนะที่ใดบอกว่าแสดงธรรมเนี่ยหมายถึงแสดงอริยสัจธรรมแสดงปริญยญาธรรมแสดงปหาตประธรรมแสดงสัชกาตปรธรรมแสดงภาเวตปธรรมขอพระสุคตได้โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีในจับสุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจกมีอันนี้คือคนที่ฉลาดขอ คนที่ฉลาดขอจริงๆเนี่ยเขาจะขอแบบนี้ว่าผู้ที่เขาเรียนรู้ได้มีอยู่เพราะคนที่มีราคะคือทุลีภายในดวงตาน้อยมีอยู่โทสะที่เป็นทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่โมหะที่เป็นทุลีในดวงตาตาปัญญานะเพราะว่าราคะโทสะเนี่ยเป็นฝุ่นละอองทําให้ปัญญาเสียหายเพราะนผู้ที่มีทุลีเบาบางมีอยู่นะถ้าเขาไม่ได้ฟังอริยสัจธรรมเขาเสื่อมแน่เขาเสียหายเพราะว่า เขาทำบุญตั้งความปรารถนามาแต่พระพุทธเจ้าองคกอ์ก่อนเพื่อจะมาตรัสรู้อริยสัจธรรมถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้ยินได้ฟังเพราะเขาทั้งหลายเป็นสาว ก, กพุทธะเขาจะตรัสรู้ได้เขาจะบรรลุได้เพราะการฟังเท่านั้นเมื่อเขาไม่ได้ฟังเขาเสื่อมแน่และผู้ที่สามารถตรัสรู้รู้ระดับโซดาปฏิมักเป็นต้นก็ยังมีอยู่ก็เลยอาราธนาเป็นคาถา ว่าเมื่อก่อนธรรมะไม่บริสุทธิ์อันคนมีมนทินทั้งหลายคิดแล้วได้ปรากฏในมคตชนบทคือสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสมัยที่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยรุมเร้าคนแขวนมคธมากเพราะลับที่ครูทั้งหกอชิตะเกสะคมพลมคลัคลิโคสาละเป็นต้นเนี่ยนะปโปรยมิจฉาทิฐิเต็มแผ่นดินมคตหมดเลยลับที่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยท่วมทน้นเพราะคนที่ไม่บริสุทธิ์พากันคิดมิจฉาทิฏฐิเอาไว้ ขอพระองค์ได้ทรงเปิดประตูแห่งอมตะธรรมนี้ขอให้พระองค์เปิดประตูนะพระนิพานนี้เรียวกว่าอมะตะคําว่าประตูแห่งพระนิพานเป็นชื่อของอริยมรรคขอพระองค์ได้โปรดเปิดประตูแห่งพระนิพานขอให้แสดงอริยมรรคเถอะบอกแนวทางแห่งการปฏิบัติเมื่อบอกแนวทางแห่งการปฏิบัติเขาจากตรัสรู้อมะตะนิพานได้มันขอให้เปิดประตูนิพานคืออริยมรรคเพราะอริยมรรค เป็นตัวที่แสวงหาพระนิพพานเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานทีนี้ก็บอกว่าด้วยเมตตาของพรมที่ว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดมนทินตรัสรู้แล้วตามลําดับเพราะว่าเมตตาของพรมที่มีว่าสัตว์ทั้งหลายควรได้รับประโยชน์สัตว์ทั้งหลายควรได้ตรัสรู้รำตามพระพุทธเจ้า ผู้ปราศจากมนทินคือความเศร้ามองทางกายวาจาและใจปราศจากมนทินคือราคะโทสะโมหะเป็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ตามลำดับอริยมรรคเป็นต้นข้อเปรียบเทียบว่าเหมือนเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนยอดภูเขาซึ่งล้วนแล้วด้วยศิลาพึงเห็นชุมนุมชนได้โดยรอบฉันใดเหมือนเราขึ้นไปบนภูเขาทองกลางคืนนยถ้าขึ้นไปกลางคืนนี่จะมองเห็นอะไรบ้าง มองเห็นที่ไหนเปิดไฟก็มองเห็นหมดฉันใดข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระปัญญาจักสุรอบคอบคือมีสัพพัญญุตยามเนี่ยขอพระองค์ผู้ปราศจากความโศกไม่มีอารมณ์อะไรที่จะทําให้พระพุทธเจ้าโศกอั้นพระองค์จึงไม่โศกขอพระองค์จงเสด็จขึ้นสู่ปราศาสตรอันสําเร็จด้วยธรรมแล้วทรงพิจารณาชุมชนชุมนุมชนผู้เกลื่อนกล่นด้วยความโศกเพราะศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมีน้ําตาเป็นที่มา คล้คลอใช่ไหมคลออยู่ด้วยน้ําตาชีดวันๆหนึ่งกันนะใช่ป่ะพี่มันมูาสานี่ปกติอยู่ด้วยความโศกไนงะผู้อันชาติและชราครอบงำแล้วอันนก็นั่งนั่งทําไม้บอกนั่งรอแก่และรอตายอันนั้นมันก็เลยเป็นผู้เนี่ยถูกความแก่และความตายนี่ครอบงำท่วมทับไม่รู้จะสู้ยังไงนะสู้ความแก่เขาสู้กันยังไงนะสู้ความป่วยความแก่ความตายเนี่ยเช้ามาเนี่ยฝึกโยคะ เชา้าออกมาเนี่ฝึกไทยเก๊กรมมวยจีนแหะวิ่งออกไปวิ่งสู้ใครชนะความแก่กับความตายเนี่ชนะยิ่งวิ่งยิ่งไกลามากก็เลยล้มแผลเลยครับในหมดเรี่ยวหมดแร ง, งเพราะฉะนั้นไม่มีใครชนะอย่างแท้จริงเพราะหมู่สัตว์เนี่ยปกติถูกความเกิดและความแก่ความตายนี่ครอบงำมีอุปมาฉันนั้นฆ่าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรคือฆ่าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้มีความเพียรกล้า พระ อ, องค์นี้ทรงชนะสงครามผู้นําหมู่พระพุทธเจ้าเป็นผู้นําหมู่นําหมู่คณะออกจากชาติชรามรณะพระ อ, องค์ผู้หาหนี้ไม่ได้คนมีหนี้คือคนที่ไปเห็นที่ไหนติดไปหมดเลยดังั้นการไปติดในอารมณ์ทั้งหลายนี่คือการกู้หนี้พระ อ, องค์นี้ไม่มีหนี้เลยขอพระ อ, องค์จงทรงอุตสาหะเที่ยวไปในโลกเถิดนะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดแสดงอริยสัจธรรม เพราะผู้รู้ทั่วถึงทำด้วยโสดาปฏิมักเป็นต้นจักมีขอให้คนที่เขาเรียนได้รู้ได้ก็มีนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบคำทูลอาราธนาของพรหมและอาศัยความกรุณาในหมูสัตว์จึงทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุขพุทธจักสุนี่เป็นชื่อของยานสองยานคืออินเดียปรรปริยติยานกับอาสยา น, นุสยายานนหนพระองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุก ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในจักสุน้อยก็มีคือคนมีกิเลสมากกว่ามีคนมีกิเลสน้อยกว่ามีนะก็แล้วแต่ใครวัางมีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าก็มีอินทรีย์ห้าอ่อนก็มีผู้ที่มีอาการมีอินทรีย์ห้าเรียกว่าอาการดีอาการเนี่ยดีขึ้นแล้วเคยไปเยี่ยมใครหมเป็นยังไงอาการเป็นยังไงมั่ง นี่ก็เหมือนกันนะถ้าคนเนี่ยเรามาถามดูอาการเขาดีหรือเลวผู้ที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าพวกมีอาการดีถ้ามีอาการซามอาการเลวโอเป็นเอามากเลยนะก็คือเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาในพวกมีอาการซามพวกมีอินทรีย์าสอนให้รู้ง่ายพวกไม่มีอินทรีย์าสอนให้รู้ยาก มันผู้ที่มีอินทรีย์ห้ามีปกติเห็นประโลกและโทษโดยความเป็นภา ย, ยุคือเห็นว่าชาติต่อไปเนี่ยเป็นทุกข์นะ น, นะปองก็เลยอุปมาเหมือนกับบัวบัวดอกบัวนะดอกในกออุบลกอปรทมหรือบุญทริกบัวที่เกิดในน้ําเจริญแล้วในน้ํางอกงามแล้วในน้ําะ น, นะพูดถึงประเทศที่น้องน้ํามีแต่บัวเลยสีลังกาเนี่ยนะโอ้ยดอกบัวเยอะจริงๆ น้องน้ําตรงไหนเลี้ยวไปก็มีแต่ดอกบัวบานนดอกบัวเขาเยอะมากนึกถึงสีลังกาบ้านเรานี่สะบัวไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมากไม่เหมือนสีลังกาเขาสีลังกาเขาบัวขาวนะไม่ใช่ปฐุมมาเนี่ยนะเป็นลักษณะบัวขาวบัวที่บัวอะไรนะบัวแกงส้มอะไรนะอ่บัวประเภทสายบัวนะประเภทสายบัวเยอะแต่ว่าไปในอดกินสายบัว นี่มาดูว่าไอ้พวกดอกบัวที่ทเกิดในน้ำเจริญในน้ำเติบโตในน้ำบางบัวบางพวกก็ยังจมในน้ำอยู่บางพวกก็ตั้งอยู่เสมอน้ำบางพวกก็พ้นน้ำไม่ติดน้ำพวกดอกที่ไม่พ้นน้ำก็ตูมอยู่นะดอกพ้นน้ำที่ตูมอยู่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยถ้าเปรียบอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าพระองค์เนี่ยคสอนพระองค์เหมือนกับแสงอาทิตย์ที่ส่องมาให้ถูกดอกบัวแล้วบัวจะบาน พันธะบัวหุบอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เย้มบานด้วยการบรรลุมรรคผลนั้นถ้าแสงแห่งอาทิตย์เนี่ยส่องสว่างบัวก็จะบานเมื่อบัวบานนั่นแหละเปรียบเหมือนการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าให้ตรัสรู้ได้ทีนี้เมื่อบัวมีอยู่สามประเภทบัวบัวปริ่มอกลางน้ําบัวปริ่มน้ําก็บัวพ้นน้ําอันนี้เน้นพวกที่จะบรรลุนะไอ้พวกไม่บรรลุเอาไว้ก่อนถือว่าไม่ไม่ต้องเอามาคิดปวดหัวพูดแบบภาษาชาวบ้านเรานะไอ้พวกไม่บรรลุเอาไว้ก่อน ไม่จาเป็นต้องพูดถึงเอาพูดถึงผู้ที่พอบรรลุได้ก่อนก็แบ่งอยู่สามประเภทประเภทกลางน้ําประเภทปริ่มน้ําและประเภทพล น, น้ําพันพวกที่มีทุลีในจักษุน้อยเป็นต้นก็มีอยู่องค์ก็รู้ว่าอัน น, นีพวกพล น, น้ําเนี่ยบัวพนน้ําและรอแต่แสงอาทิตย์เรียกว่าอุคติตันยูพวกปริมนน้าจะบรรลุในวันพรุ่งนี้เป็นต้นอจะบานในวันพรุ่งนี้ก็เหมือนวิปัญจิตันยูพวกอยู่กลางน้ําก็เรียกว่า ในยะบุคคลพวกอยู่ใต้น้ําพวกนี้ก็เป็นประทะปรม a พวกนี้อีกนานนะแต่การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นวาสนาต่อไปพอพระองค์ใคร่ครวนถึงผู้ที่พอจะบรรลุได้อย่างนี้แล้วก็ตรวจดูว่าผู้ที่จะบรรลุมีเท่าไหร่นี่องตรวจเลยนะว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยบรรลุกับไม่บรรลุแยกกันเป็นพวกภาพพระกับภาพพระพวกอาภัพกับไม่อาภัพแบ่งเป็นสอง ทีนี้พวกไม่อาภัพนี้ก็มาแบ่งมาแบ่งตามจริตนะนะจริตหกจริตราคะจริตโทสะจริตโมหจริตออะไรศรัทธาจริตพุทธิจริตแล้วก็วิตกจริตเนี่ยนะก็มาแบ่งจริตเป็นจริตหกทีนี้ในจริตนั้นอ่ะทั้งหกจริตก็มาแบ่งเป็นกลุ่มอุคติตันยวิปัญจิตันยและไตยยบุคคล แล้วก็มาแบ่งว่าผู้นี้จะต้องบรรลุด้วยธรรมเทศนาชนิดนี้ผู้นี้บรรลุด้วยธรรมเทศนาชนิดนี้บรรลุที่นี้เมื่อนี้ก็ตรวจดูด้วยสัพพัญยุตยานเบ็ดเสร็จรู้ว่าจะมีบรรลุเท่าไหร่แล้วเทศครั้งสุดท้ายสุดที่ไหนรู้ได้เลยนะตอนนั้นพระองค์ตรวจเบ็ดเสร็จแล้วว่าพระองค์จะต้องสอนอยู่กี่ปีแล้วมีผู้บรรลุเท่าไหร่บรรลุครั้งสุดท้ายที่สุดเมื่อไหร่ศาสนาของพระองค์เป็นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็ตรวจเบ็ดเสร็จตรงนั้นเสร็จพอตรวจ ตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้วพระองค์ก็บอกว่าคือพระองค์ก็ตรัสตอบเท้ามหาพรหมว่าเราเปิดประตูอมตะแก่ท่านแล้วนัะเปิดประตูนะประตูเป็นชื่อของอริยมรรคเราเปิดอริยมรรคให้แก่ท่านแล้วเราเปิดศีลเปิดสมาธิเปิดปัญญาให้แก่ท่านแล้วนะก็เปิดวิสุทธิเจ็ดเป็นต้นให้แล้วนนเปิดวิสุทธิเจ็ดเพื่อให้เห็นพระนิพพานเปิดอัศศิขาสามเพื่อให้เห็นพระนิพพาน เพราะว่าพุทธศาสนาอยู่ที่สิกขาสามสัจจะมีสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคทุกไม่ต้องไปทําอะไรเพราะมีสมบูรณ์กันอยู่แล้วนะสมุทัยก็เปี่ยมนิโรธก็คือที่สุดแห่งทุกขอันนะัผู้ใดปฏิบัติถึงก็พ้นทุกข์ได้แต่ว่าอริยมรรคนี่แหละตัวสะพานอริยมรรคเปรียบเหมือนสะพานข้ามจากโลกิยะไปโลกุตระอริยมรรคเปรียบเหมือนเรือที่จะพาข้ามไปฝั่งหนึ่งสู่อีก ฝั่งหนึ่งอริยมรรคเปรียบเหมือนประตูที่จะเปิดออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ประตูที่จะทําให้ออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้อริยมรรคก็เป็นฉันนั้นท่านพระองค์ก็บอกว่าเราเปิดประตูคือศิกขาสามเปิดประตูคือวินัยพระสูตรพระอภิธรรมให้แก่ท่านแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประตูแห่งอริยมรรคสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟังจงปล่อยศรัทธามาเถิดนะสาหรับผู้มีสัตว์ผู้จะอยากกะฟังนะ ก็ปล่อยศรัทธาศรัทธายัางไงศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาให้เชื่อมั่นในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเถิดแล้วก็ให้มีกรรมสกตาศรัทธารู้ว่าเราทั้งหลายเป็นยังไงชีวิตของเราเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเป็นผู้มีทุกข์อย่างลงแล้วเป็นผู้ถูกทุกข์ครอบงำแล้วทำไงการทําที่สุดแห่งทุกข์จะพึงปรากฏชัดแก่เราเราเป็นผู้มีทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ พลทุกหูของเราก็มีอยู่ศรัท ธ, ธาของเราก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าประสงค์จะฟังก็จ ง, งเงี่ยโสดลงเพื่อจะฟังอริยสัจจะทำเถิดเนี่ยนะมันก็ปล่อยศรัท ธ, ธาที่จะฟังเถิดดูก่อนพรมเพราะเรามีความสําคัญในความลําบากจึงไม่แสดงอริยสัจจะทำที่เราคล่องแคล่วประณีตในหมู่มนุษย์เนี่ยนะนั้นจากที่ที่จะไปพุทธคยาก็ทําให้นึกถึงพระธรรมตรงนี้เนี่ยนะ ที่มีโอกาสก็จะไปทบทวนเกี่ยวกับพระธรรมเหล่านี้เพิ่มเติมแต่ที่ยกมากล่าวเนี่ยทำไมจึงเอามาแสดงว่าสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่นี้เพราะเรื่องที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้หรือศึกษาเรื่องถึงไหนและยานไหนสังขารุปเปกขาญาณเพราะว่าสังขารุปเปกขาญาณเนี่ยเป็นญาณที่กล่าวถึงประตูแห่งพระนิพพานตรงๆถือว่าเป็นประตูที่ชิดมากๆชิดต่ออริยมรรค เพราะสังขารุเปกขาญาณ น, นี้ถือว่าใกล้ต่ออริยมรรคมากที่สุดแล้วเนี่ยนะนี่เราก็มาดูนะว่าสังขารุเปกขาญาณซึ่งสังขารุเปกขาญาณ น, นั้นก็คือกลุ่มอนุปัสนาทั้งหลายคือวิราคาอนุปัสนานิโรธานุปัสนาและปฏิณิสขานุปัสนาทั้งหลายนั่นเองพันพวกอนุปัสนาเนี่ยนะถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายเอก ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในสติปัฏฐานจริงๆว่าสติปัฏฐานคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานคืออนุปัสนาเจ็ดที่มีกายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์พระองค์ยืนยันว่าทางนี้คือทางซ้ายเดียวที่จะทําให้บรรลุมรรคผลได้ปฏิเสธทางอื่นว่าทางอื่นที่จะทําให้บรรลุมรรคผลไม่มีหรอกมันข้อความสารถะ เนื้อหาสำคัญของของวิปัสสนาระดับสูงตั้งแต่พังคานุปสนาญาณพยตุปทานญาณอาทีนวญาณ น, นิพพิทาญาณอะไรมจิตุกรรมมยตาญาณปฏิสังขายญาณและสังขารุเปกขาญาณญาณเหล่านี้ก็คือผู้อนุปัสสนานั่นเองอนะถ้าผู้ใดศึกษาอนุปัสสนาเจ็ดเข้าใจก็ก็ไม่ต้องลำบากใจในเรื่อง ใส่ชื่อยานลงไปซึ่งอนุปัสนาเจ็ดเหล่านี้เนี่ยนะที่ที่เกิดขึ้นทรรมกิจในการพิจาจรณาขันธาตุอายตนะทั้งหลายโดยความเป็นอนิจจงทุกครั้งและอนัตตาซึ่งคือว่าเป็นอุบายที่จะปลดเปลื้องปลดเปลื้องหรือตัดเยื่อใยในอุปาทานขันห้าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ตัวที่สำคัญที่สุดก็คือการรู้เหตุเกิดและความดับของขันห้า ถ้าเราไม่รู้จักเหตุเกิดของขันห้าเป็นอย่างไรความดับแห่งขันห้าเป็นอย่างไรป่วยกล่าวไปป่วยกล่าวก็แปลว่าโหพูดมากก็ป่วยมากอะนะคือถ้าไม่เข้าใจเรื่องเหตุเกิดความดับเหตุเกิดของขันห้าโดยอาการยี่สิบห้าความดับแห่งขันห้าโดยอาการยี่สิบห้าเกิดดับโดยอาการห้าสิบแล้วเอาอนุปัสนาเจตมาพูดเนี่ยมันเป็นความป่วยอีกชนิดหนึ่งเหมือนกัน น, นะเพราะว่าก็ป่วยกล่าวะนะเสียเวลาพูดแบบนั้นเถอะ ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแห่งวัตะเลยว่าวตฏะนั้นเกิดอย่างไรแล้วก็วัตฏะนั้นดับอย่างไรไม่ต้องพูดถึงข้อปฏิบัติให้ดับเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงข้อปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจักดับเพราะตัวที่สําคัญที่สุดก็ต้องรู้เหตุเกิดและความดับนี่เหตุเกิดและความดับของนะถ้าถ้าจะรวบรวบรวบรัดรัดให้ย่อลงมาเนี่ยนะเหลือเหตุเกิดความดับ ซึ่งในจูลนิเทศที่ภาษาริบุกล่าวถึงการรู้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือพระองค์นั้นตรัสรู้เหตุเกิดความดับอัา ธ, าธาอาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปสี่ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอัา ธ, าธาอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนาหตรัสรู้เหตุเกิดความดับอัาธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าหรือว่าทำอย่าง ยังกินจิตสมุทัยะรร ม, มังสับพันทางนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาทีนี้ถ้าหากว่าเราหยิบมาเฉพาะในส่วนของเหตุเกิดความดับอัศทะอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนะ6แล้วก็มาพิจารณาโดยอนุปัสนา7แต่การที่จะพิจารณาอนุปัสนา7ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ ตัวที่ที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาก็คือตัวไหนก็ตัวเหตุเกิดกับความดับของตานะพูดถึงว่าตานี้มีเหตุเกิดความดับอย่างไรในพรหมชาลสูตรทีคณิกายทีคณิกายศีลขันธวักได้กล่าวถึงพระอริยาสาวกที่ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอศาศะทาอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนาทั้งหก เนี่ยเหตุเกิดความดับของตาหูจมกูกลิ้นกายใจเนี่ยนะก็อย่างที่เราพอคุ้นเคยกันอยู่แล้วคงค ง, องพอรู้นะเหตุเกิดของตาคืออะไรคิดง่า ย, ายๆเหตุเกิดของตาก็ลืมตานั่นแหละคือการสร้างตาเพราะว่ารวบรวบสรุปย่อไม่ต้องเยินเยอะนะถ้าถ้ า, ถ, าถ้าศึกษาโลกานินโรถาสูตรศึกษาปฏิจจสมุปบาทมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ย ทุกครั้งที่ลืมตาคือการสร้างตาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคือการสร้างหูทุกครั้งที่รู้กลิ่นคือการสร้างจมูกทุกครั้งที่รู้รสคือการสร้างลิ้นรับกระทบโพธภาภะเงือแตกพลัก เ, right เป็นต้นก็คือการสร้างกายคิดไปแล้วคิดแล้วคิดเล่าคิดแล้วคิดเล่าอันนี้ก็เป็นการสร้างสร้างใจการสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือการสร้างภพสามภพสามเนี่ยนะมันก็เป็นไปกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าง ตาประพบก็คือพบที่มากด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปประพบก็มีอะไรมีแต่ตาหูและใจอรูปประพบมีแต่ใจมั้นสรุปว่าตาในภูมิ3ก็คือการสร้างตาสร้างหูสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างกายและสร้างใจสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าตัวที่เนิ่นช้าทําให้สร้างตาก็คือความเพลิดเพลินในสิ่งที่เราเห็นการสร้างหูก็การเพลิดเพลินในสิ่งที่เราได้ยิน การสร้างจมูกคือเพลดิดเพลินในกลิ่นที่เรารู้สร้างลิ้นก็คือเพลดิดเพลินในรสที่ที่พอใจสร้างกายก็คือเพลดิดเพลินในอุณหภูมิพุธภรมิเป็นต้นที่เรารับกระทบสร้างใจก็คือจงคิดเถิดอย่าเบื่อหน่ายในการคิดคิดให้มากๆไม่ได้บอกว่าคิดเรื่องอะไรนะแต่ถ้าคิดตามมนุษย์สนาเจ็ดมันก็คิดเพื่อดับใจ ทุกครั้งในภาษายตนาหกในทวารหกที่เกิดการรับรู้เนี่ยคือการสร้างตาสร้างหูสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างกายและสร้างใจตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตรงๆเลยเป็นทุกขสัจเป็นทุกขสัจอวิชาตันหากรรมในอดีตที่เป็นเหตุสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นสมุทยัยสัจที่สร้างสร้างสิ่งเนี้เกิดขึ้น ทีนี้เราดูว่าเราจะสร้างสมุทัยใหม่หรือว่าจะเจริญอริยมรรคถ้าเจริญอริยมรรคไม่สำเร็จยังไงเสียมันก็เป็นสมุทัยวันยังค่ถ้าอริยมรรคไม่เกิดขึ้นทวารทั้งหที่เรารับกระทบคือการสร้างพบทุกครั้งที่เห็นคือการสร้างพบได้ยินก็คือการสร้างพบถ้าไม่เจริญอริยมรรคทีนี้ถ้าเจริญอริยมรรคเนี่ยเจริญเพื่ออะไรเจริญเพื่อจะดับ ดับความยินดีในทวารตาดับความยินดีในทวารหูดับความยินดีในทวารจมูกดับความยินดีในทวารลิ้นทวารกายและทะวารใจเพราะว่าการคิดจนสามารถที่จะดับความเพลิดเพลินในทวารหูทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้การปฏิบัติอย่างนั้นแหละคืออนุปัสนาทั้งหลา ย, ยนะคืออนุปัสนาทั้งหลายที่จะปฏิบัติเพื่อให้ดับตา นี้การปฏิบัติที่ทําให้เหตุการณ์ดับตาจริงๆอย่างไรก็ไม่พ้นจากการตามเห็นตาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสีที่ตาเห็นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาจักรวิญญาณที่เห็นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาจักรสัมผัสก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกคมสุขเวทนาที่เกิดจากจักรสัมผัสเป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ยังไงก็ต้องอยู่ที่อนิจจังทุกขังและอนัตตาอยู่ดีซึ่งรายละเอียดวันนี้เราจะได้มากล่าวว่าทาไมจึงจึงต้องอนิจออนาานจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะทไมจึงต้องอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาดีอย่างไรเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาสมัยใหม่มาพูดเพื่อตัดปัญหามาพูดอนิจจังทุกขังอนัตตาสมัยใหม่บอกว่าแปลว่าไม่ต้องไปสนใจมัน เพราะมันอนิจจังก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องสนใจมันมันเป็นอนัตตายิ่งไม่ต้องสนใจอะไรเลยนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสมัยใหม่เราไม่จำเป็นต้องเอาคนสมัยใหม่มาพูดใช่ไหมเพราะเราไม่ได้นับถือคนสมัยใหม่เป็นสาระเรานับถือสมัยก่อนเป็นสาระนับถือพระเรียเจ้าสมัยนั้นเป็น